ไงคุณเม่อเล่ามันกลังจะพยายามให้มันต่อแต่มันยากไม่เข้าบอกแต่ยากมันก็เลยยากทั้งปีอยู่แล้วคิดว่าทําได้ทําได้จเจริญได้ใช่ไหม ไ, ง ไ, งไม่ใช่หลอกแต่ว่าตั้งใจว่าจะทําให้ได้แต่ตั้น้อม ไ, ไปอ่ะพะ่อศีลเนี่ยอาวัชชนะนะคือการนึกถึงก็เป็นศีลเป็นสิขาเนี่ยนะการพิการรู้ก็เป็นศีลเนี่ยนะรู้เห็นพิจารณาเป็นต้นเนี่ย ท่านก็ต้องหมั่นแบบนั้นบ่อยๆไม่ใช่ว่าโอ้ยากยากยากถ้าท่องอย่างนี้สักครึ่งวันน่อะไรจะเกิดขึ้นมันยากหมดแหละว่า ง, งั้นเถอะต้มยำถ้วยหนึ่งก็ยากกว่าจะปลูกระไรได้ก็ยากเนี่ยกว่าจะหาขิงมาได้เออข่ามาได้ก็ยากเนี่ยน้ำนะกว่าจะเอามาได้มันก็ยากฟืนนี่ก็ยากไฟนี่ก็ยากโคลกพริกนี่ก็ยากานะตำกระเทียมก็ยากก็ไม่ต้องกินแล้วต้มยำอ่ะ ยากหมดแหลยะยากทุกเรื่องอะนะถ้าจะเอาให้ยากแบบนั้นนะคืออาจจะเป็นเพราะว่าโลหะมันมากก็ได้หวังที่มันมากเกินไปแล้วก็ <ไป S 2> เอ๊ะแล้วคือคือทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ยังไงตรงนั้นะที่เขาสนใจเนี่ยนะเอ๊ะจะเจริญอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยนะถ้าเจริญไม่ได้นะมีศรัทธาในสิ่งนั้นก่อนไหมเรามีศรัทธาก่อนไหม แล้วก็ศรัทธาแต่พราเราควรจะเจริญแบบนั้นนะสมาทานตั้งอัตตาสัมมาปณิทิที่ไว้เลยว่าเราควรจะเจริญแบบนี้นะเพราะสิ่งนี้มีคุณมากมีประโยชน์มากอันนี้ก็ตั้งอัตตาสัมมาปณิทิเอาไว้เลยเนี่ยนะทีนี้ถ้าพูดยากไปบ่อยๆนะพูดด้วยจิตธรรมะยากเนี่ยจิตชนิดไหนคิดโดยมากจะเป็นโทสะอโ ท, ส ะ, โทสะนี่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เนาะก็เสียหายนะก็ทําลายจิตก่อนนั้น แต่ เ, เรานี่มันไปทางที่เร า, เ ค, าคือขอมาเข้าใจคือไม่พยายามน้อมตามเลยคือคือ ก, ก็ก็มีคนหลายคนอ่ะนะที่ที่เป็นแบบนั้นเนี่ยเขาจะไปแต่เรื่องของเขาอ่ะคือเขาเขาไม่พยายามเออเนี่ยฉันจะพาไปใต้นะคุณขึ้นเอะขึ้นรถอ่ะฉันจะพาไปเที่ยวภาคใต้อ่ะไปด้วยกันต้ก่อนอ่ะนะพอขอกลับมาแล้วค่อยว่าที่ชอบหรือไม่ชอบภาคใต้เนี่ย อันนะั้อ่าก็คื อ, ค, อคือฟังแล้วพยายามทําความเข้าใจอย่างที่ผู้แสดงเขาเขาเขา้เขากล่าวนะอันนั้นแหละเขาเรียกว่าเคารพทำคือพยายามเห็นด้วยเข้าใจตามก่อนอ่ะนะแต่ในตอนท้ายสุดจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ใช่ประเด็นคือไม่ใช่ว่าฟังปั๊บค้านเลยทําทยากมันไม่ดีอย่างนั้นยังงีคือเอาเหตุผลมาต่อต้านนะมันก็เลยไม่ได้ส่งจิตตามสิ่งนั้นๆัไปหรือไม่เราก็ไปขี้เรื่องอื่นพอจบปั๊บถามปัญหาที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะ ก็มีอยู่คนหนึ่งอะนะนักเรียนภาคค่ําเรามีอยู่คนหนึ่งนีเ่เราก็อธิบายเรื่องนี้อยู่ดีๆพอจบปั๊บแกหลุดโลกมาจากทวีปไหนมาก็ไม่ทราบมันแสดงว่าที่เราพูดไม่ได้คิดตามเราพูดเลยนะแกก็เราก็ว่าของเราไปแกก็คิดของแกไปเสร็จแล้วพอจบปั๊บแกก็ถามเรื่องของแกไปเออมีหน้าแนะสงสารทุกแม็กแต่เสียดายตัวเองเลสงสารตัวเองอยู่เหมือนกันแสดงว่าเขาไม่ได้พยายามเข้าใจตามเลยถ้าเขาค่อยๆคิดตามไปก่อนอะนะ พอจบเนื้อหาเรื่องนั้นแล้วเขาจะสงสัยจะไม่ว่ากัน mm hmm. นะมันไม่ใช่ว่าเราก็อธิบายไปแล้วไม่พยายามทําความเข้าใจตามแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยาเารียกว่าแม้มองแต่อวะตะัตตหมายก็ว่าพลิกแต่ตรงกันข้ามอยู่ตลอดโอ้อยางงี้มันก็ไม่ไหวอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เนีย่ยนะจะไปโทษวิชาแล้วก็อ่างวิชายาบบังสอนไม่รู้เรื่องบังห์หาจนจนจนฉันต้องโทรสาไปต่อไปเนีย่ยนะไม่รู้จะทํำยังไง ก็ก็อย่างที่กล่าวนะพยายามตั้งใจว่าเอาเอาให้จบก่อนคือคือก็ก็มีหลักอ่ะนะใน เ, เรื่องอยู่เรื่องหนึ่งคือจำเรื่องลูกอนาถาบินทิกะเสธีนะที่พ่อจ้างให้ไปฟังธรรมอ่ะแกไปฟังแล้วให้พันนึงเขาไปแต่ก็บอกว่าแต่ต้องจำมาด้วยนะหนึ่งคาถาจำมาสักสองบรรทัดนะแล้จะจ่ายเพิ่มอีกครั้งก่อนนี้ก็ให้อ่ะนะ แล้วก็แปรไปหลับอย่างเดียวไม่ได้ฟังนะพอได้วันหลังปั๊บบอกว่าถ้าถ้าจํามาได้นะจะให้เพิ่มอีกให้เงินเพิ่มเลยนี่วันนั้นพระพุทธเจ้าเทศเองแกก็บอกโอ้ยแค่สองบรรทัดมันจะไปยากเย็นอะไรแป๊บเดียวก็จําได้อยู่แล้วเขาเขาหัวดีอ่นะพระพุทธเจ้าก็แสดงโพระองค์ก็อธิษฐานมาให้แกจําได้นั่นนะนึกจําอะไรก็จําไม่ได้ทีนี้แกก็ไม่เอาแล้วมันไม่จําไม่ได้ก็ช่างแกสนใจวันเนื้อหาเป็นยังไงติดตามเรื่อง อันนั้นแหละเรียกว่าเคารพทมสนใจว่าเนื้อหาเขาเป็นยังไงติดตามเนื้อหาพอจบบรรลุเลยเป็นพระโสดาบันเสร็จแล้วเช้า ว, วันนั้นอ่ะพระนาถาเขาก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปไปฉานที่บ้านลูกชายนาถาบินทิกาก็เป็นคนอุ้มบาตรตามพระพุทธเจ้าพอเห็นหน้าลูกปั๊บควักจ่ายทันทีเลยลูกนี่อายจนเสร็จแล้วพอ่อลูก พระพุทธเจก็ถามอะไรการเขาบอกว่าก็เล่าเรื่องอะนะวันก่อนนี่ไม่ได้เลยเนะาะทำไม่ให้เงินก่อนไม่ยอมกินข้าวอ่ะจะต้องได้เงินก่อนแล้ค่อยกินข้าวพอวันนี้อายแล้นไม่เอาอ่ะพระเจ้าก็บอกว่าตอนนี้เขาได้สมบัติที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ปไตยของพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วเขาบอกว่าโสดาปฏิมัคเนี่ยประเสริฐกว่าเอกราชของพระเจ้าจากักรพรรดิมากนะางนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องการหนะ้าเ น, นี่ยนะเท่ากับพ่อเนีเท่ากับพ่อแล้วเป็นพระโซดาบัน เพราะฉะนั้นเ อ, อสำคัญมากก็คือเนี่ยการตั้งจิตเงี่ยโสดเพื่อจะให้เขารู้ว่าเขาพูดอะไรอันนี้เป็นความเคารพธรรมไม่ใช่ว่าขึ้นมักค้านตั้งแต่ทีแรกในในเถรคถามีเรื่องหนึ่งก็มีพระพุทธเจ้าเทศเทศกับสัพพยปริภาชกเนี่ยสัพพยปริภาชกเขามาถามปัญหาพระองค์ก็ตอบปัญหาไปเขามีคนอยู่คนหนึ่งนั่งหาเรื่องอย่างนั้นน่ยไม่ใช่นั่งค้านอยู่ตลอด่นะนั่งค้าน เสร็จแล้วพอพระ อ, องค์ตอบปัญหาเสร็จก็หันมาเอากับคนนี้ก็บอกว่าผู้ที่คอยเพ่งโทษคอยฟังธรรมเนี่ยก็บอกว่าห่างไกลาจากสัตรธรรมนี่เหมือนฟากกรดินอย่างเงี้นะห่างไกลเหมือนสมุดฟากนี้กับฟากโน้นเลยนะแกก็เลยยอมเลยบวชเลยก็นี้เป็นตอนหลังก็เป็นท่าละหันมัะ ก, ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆว่ในในประเด็นก็คือหนึ่งฟังให้เข้าใจก่อนว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ตั้งอัตตาซ้ำ ม, มาปณิทินว่าสิ่งเหล่านี้มีคุนไหมถ้ามีคุณเราควรนะ ก็เหมือนกับเจอพระไตรปิฎกอะ น, นะไม่ใช่โอ้โหเล่มใหญ่ไปหนาไปยากไปถ้าตั้งอย่างนี้ก็แทบไม่ได้อ่านอยู่แล้วใช่ไหมใหญ่ก็มีประโยชน์นะเนื้อหาทั้งนั้นเลยมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเราควรอ่านควรเจริญถ้าตั้งจิตนะมันอยู่ที่ฉลาดคิดเท่านั้นเองนะในโลกนี้มันเกิดจากความคิดทั้งนั้นแหละแล้วแต่จะคิดคิดให้มันสร้างสารรค์มันก็สร้างสารรค์ไปเรื่อยอย่างเจริญกุศลเนี่ยนะอย่างสมถาวิปัสสนาเป็นความคิดที่สร้างสารรค์ที่พัฒนาต่อๆไปเรื่อยแต่คิดให้มันแง่ลบปับ๊บมันก็ลบหมดอนะ ก็ลบลบลบลบก็บอกว่าถ้าเนคธรรมะวิตตกเกิดปั๊บกุศลจะตามมาอย่างมากถ้ากรรมวิตกเกิดนะอกุศลก็จะตามมาอีกอย่างมากแล้วแต่จะตั้งอะไรให้เป็นอยู่หัวขบวนอ่ะนะแต่จริงอ่ะถ้าถ้าขนาดเนี้ยเพียงแต่ถ้าเราตั้งจิตไว้ชอบเราก็ทําได้อยู่แล้วนะเพียงแต่ฉลาดตั้งจิตแค่นั้นเองอ่ะนะของมาก็อาศัยตั้งจิตเอาอ่ะนะโอ้ตายไปดกนียเจอหู้ เห็นแล้ง่วงมืยอ่ะโอ้ทาไมมันยากเย็นขนาดนี huh. ้ทําไมมันเล่มใหญ่ขนาดเนี้นะถ้าถ้าจะเอาแบบนั้นมันก็แทบไม่ได้อ่านอยู่แล้แต่ก็ดีนะนะกลอกๆกล่ huh. องตัวเองอ่ะนั Believe, uh, ่นก็เรียกว่าหัดกล่อมตัวเองไปปฏิสัมพิธามักมีประโยชน์นะดีนะนี่ติประกอบดีนะมีประโยชน์นะทั้งๆที่อ่านไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าดีอ่ะแต่ชอบว่าดีรอบหนึ่งไม่เข้าใจเอาไม่เป็นรายได้แล้วหนึ่งรอบเอาใหม่ลืมๆนะอ่านใหม่ เราอ่านรอบนี้ก็เข้าใจกว่ารอบที่แล้วเดี๋ยวเราจะต้องกลับมาอ่านใหม่อ่านจบปั๊บสมาทานนะเดี๋ยวจะมาอ่านใหม่อ้าวอ่านไปอ่อเดี๋ยวกลับมาอ่านใหม่บางเรื่องอ่านเป็นสิบสิบรอบนะก็อย่างนี้ทําไมเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวจะอ่านใหม่อีกครั้ง <c oughs> ก็ไม่เห็นเบื่ออะไรเลยเพราะรู้ว่าเบื่อแล้วมันมีโทษ <c oughs> ก็ตั้งสมาทานไ้เลยว่าวันไหนที่เห็นพระไตรปิฎกแล้วไม่ชอบวันนั้นวันที่เราเสื่อมมาถึงแล้ว ความเสื่อมนี่เข้ามาถึงแล้วเพราะฉะนั้นบอกว่าดีๆนะต้องนึกให้ดีไว้ตลอดนะแต่ว่าตอนนั้นใจอยากจะชอบหรือไม่ชอบไม่เอาฉันไม่เชื่อใครแล้วนะเพอเอกไม่ชอบแล้วมันไม่มีประโยชน์เนี่ยนะก็ต้องน้มไปโอนไปฝึกไปข่มไปนะนะครบกระจิตมากนะนะเอาเอาโน่นะเอาเรื่องอะไรนะเทระคาถาเรื่องพระเทระรูปหนึ่งไงตาลบุตรเทระคถา โอ้ยฉันเชื่อแกมานานแล้วจิเต้ยอย่างนั้นต่อไปนี่จะเลิกเชื่อแกแล้วนะนะท่านก็มีอุบายในการที่จะแนะนำความคิดของตัวเองนะจริงๆแล้วก็อยู่ตรงนั้นพระพุทธพจน์ยังตรัสเลยใช่ไหมว่าอัตโนโจทยัตตานังนะก็เตือนตนด้วยตนตักเตือนตนด้วยตนแนะนำตนด้วยตนน ะ, ฉะ น, นฉลาดที่จะคิดนั่นเองส่วนวิโมก8ปดเนี่ยน ะ, นะวิโมกแปด คือผู้มีรูปภายในเห็นรูปภายนอกอเห็นรูปทั้งหลายอันนี้ก็เหมือนกันกันกบที่กล่าวไปแล้วคือเจริญกรรมฐานในร่างกายภายในก่อนใช่ไหมเรียกว่ามีรูปภายในเห็นรูปทั้งหลายก็คื อ, อพอนิมิตเกิดจากภายนอกก็เข้าฌานได้ส่วนข้อสองผู้ที่สําคัญอรูปภายในพวกนี้ก็เจริญกรรมฐานภายนอกไปเลยนิมิตภายนอกไปเลยโดยที่ไม่ได้เจริญข้างในเช่นไม่ พิจารณาสุภาก็อสุภาข้างนอกไปเลยไม่ได้เจรณาสุภาข้างในก่อ น, นนะก็เจริญข้างนอกไปเลยอันนี้เป็นข้อ2ส่วนข้อ3พวกนี้ก็เป็นวันนากศิล์ ที่เรียกว่าสิ่งนี้งามสิ่งนี้งามเหมอนนะเช่นใครจะเจริญสีเขียวก็ต้องคิดว่าสีเขียวนี่งามงามงามงามก็ใส่ใจว่างามถ้าใครเจริญสีขาวก็สีขาวนี่งามงามโอทาตะโอทาตะต้องคิดว่างามเหมืนะสีขาวไม่งามสีขาวไม่งามไม่ได้ฌานอยู่แล้วก็ต้องใส่ใจว่างามงามดีพวกนี้ก็คือวันน่ากรสินนั่นเองข้อสามเหนนะก็ขออ้อหนึ่งสองสามเนี่ยสรุปได้ฌานสี่เรียบร้อยแล้วรูปฌาน <c oughs> ส่วนข้อ4กล่าวว่าเพราะฉะนั้นถ้าได้ฌาน4อย่างนั้นนะนะก็ขยายนิขยายนิมิตเรียกว่าขยายกสินนิมิตเนี่ยนะให้มากแล้วก็เพิกจากกสินนิมิตให้เป็นอากาศใช่ไหมเป็นเกษินนุคาติมากาศแล้วก็พิจารณาองฌานนะให้ดีแล้วก็ล่วงซึ่งรู ป, ปรสัญญาทั้งปวงคือล่วงรูปปฌานทั้งหมดน่ย น, นะรูปรสัญญาหมายถึงรูปประฌานสิ ปฏิฆาสัญญาหมายถึงทวีปัญจวิญญาณจิตสิบไม่ใส่ใจในนานัตตาสัญญาคือจิตสี่ิบสี่ดวงคืออากุศลสิบสองานะวาไวอกา ม, มาวาจรจิตเว้นจากทวีปัญจนะปกติห้าสิี่ใช่ั้ยเอาออกสิบไปก็เหลือเรียกว่านานัตตาสัญญาส4ิบสี่แล้วก็เข้าถึงอากาสานัญจายตนะด้วยมรสิการว่าอากาโซอนันตอากาศหาที่สุดไม่ได้นี่นอากาโซอนันตนี้เป็นมิโมข้อที่ สี่ทีนี้ก็ก้าวล่วงซึ่งอาการสารนัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบุคคลเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะด้วยมนัิการว่าวิญญาณังอนันต์เนี่ยนะวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดวิญญาณไม่มีที่สึดเนี่ยนะอันนี้หมายถึงว่าได้อากาศสารนัญจายตนะแล้วนะค่อยเพราะว่าวิญญาณัญจายตนะมีอาการสารนัญจายตนะเป็นอารมณ์เนี่ยนะส่วนวิโมกข้อที่7ก็คือ ข้อหก่อนนะก้าวล่วงวิญญาณัญญายตนะโดยประการทั้งปวงก็เข้าถึงอากินจัญญายตนะก็ไม่มนสิการในจิตเจตสิกว่านัดทีกินจิตหน่อยหนึ่งก็ไม่มีอะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่มีเนี่ย น, นะไม่ไม่ไ ม, มนัสการในจิตและเจตสิกนะนะมนสิการในนัดทีภาวะนั่นเองส่วนข้อเจก็คือก้าวล่วงอากินจัญญายตนะบุคคลเข้าถึงเนวสัญญาณาสัญญายตนะก็กาหนดอากินจัญญายตนะนั่นแหละเป็นอารมณ์ว่า จะว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ ก, ใชก็ทําให้เข้าฌานให้ได้เสร็จแล้วข้อ8ก็คือเก้าล่วงนวาสัญญาณาสัญญาเยตนะโดยประการทั้งปวงก็เข้าถึงสัญญาเวทายิตานิโรธอันนี้ก็คือเข้านิโรสมาบัตินั่นเองเดีย๋ยวนะข้อข้อที่เก้านะข้อแนะเข้านิโรสมาบัติการเข้านิโรสมาบัติเนี่ยก็ต้องสูตรเขาก็คือเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วเจริญนิัาสนา เข้าทูติย่าฌานออกจากทูติย่าฌานและเจริญว ah. like ิปัสนาเข้าตัติย่าฌานออกจากตัติย่าฌานและเจริญวิปัสนาเข้าจตุติฌานออกจากจตุติฌานและเจริญวิปัสนาออกจากจตุติฌานเข้าอรูปฌานออกจากอรูปฌานทุกอรูปฌานแล้วเจริญวิปัสนาแล้วก็เข้าพอเข้าอากินจัญญายาตนะ และเจริญวิปัสสนาก็ทําบุพภิกต์บุปกรณ์บุพภิกต์ของผู้จะเข้านิโรธนะแล้วก็เข้าเนวสัญญานาะสัญญายาตนะเนวสัญญานาะสัญญายนะาตนะนะเกิดสองขณะจิตก็ดับดับจิตและเจตสิกพอออกจากนี้ก็ต้องออกด้วยอรหัตผลสมาบัติกับอนาคามีผลสมาบัติจึงจะได้อ่า น, นะเพราะนิโรธสมาบัตินี้ก็แปลว่าดับสัญญาและเวทนาก็เท่ากับดับจิตเจตสิกทั้งหมดนั่นเองอ่านะอันนี้เป็นธรรมะที่ควรทําให้แจ้งนะนะ ก็ตั้งใจไปเลยนะว่าสักวันหนึ่งเราต้องเข้าอันนี้ให้ได้เมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก็ปรารถนานิพพานก็ยังบอกอนาคตีกาลีงั้นอนาคตการพูนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะก็ให้มันให้มันตั้งตั้งไว้บ้างเถอะถ้าไม่ตั้งไว้เลยนี่ไม่รู้จะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะต้องต้องกาหนด แต่ว่าคนที่เข้านิโรโทษน่ะผ้านาคามีกับพผ้ารหารเท่านั้นเนี่ย <c oughs> ของเราก็เข้าได้หลับ ก, กี่ชั่วโมง ข, ข้อที่สามเนี่ยบอกว่าให้ใส่ใจว่าสิ่งนี้งามทีเดียวนี้นี่ไม่ถือว่าเป็นวิปลาเสเลยว่าเขาใส่ใจอะไรม า, ามบ้างคือถ้าถ้า ง, งามในกสิณเนี่ยมันไม่วิปลาสหรอครับให้มันงามไหมแต่มันเป็นงามอ ย, างอย่างอื่นนี่มันยุ่ง สีขาวสีขาวแตก แ, แต่ไม่ใช่ว่าสีขาวแบบนี้นะให้สีขาวที่เป็นอารมณ์ของกสิณนะถ้าใส่ใจว่างามงามงามเนี่ยนะแล้วนิมิตมันจะเริ่มติดตาติดใจแล้วมันก็จะไปค่อยย่อไปขยายไปอะไรต่อไปได้ใช่ไแต่ถ้าบอกว่าไม่งามไม่งามไม่งามเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็ไม่ น, นึกได้ไม่กี่คำเลยนะเลิกคิดแล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าคำว่างามอันนี้สายใจด้วยฉันทะไม่ใช่ เขาจะไปวิปลาว่าเที่ยงว่าอย่างอื่นมันไม่ใช่หลักกับวิปลาดอะไรนะแต่ว่าพวกนี้มันไม่ใช่ข้อปฏิบัติเพื่อให้ละวิปลาดโดยตรงๆนะแต่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อข่มวิปลาดอ่าขอไปข้อปฏิบัติเพื่อข่มนิวรนเนี่ยนะพอข้อปฏิบัติเนี่ยนะพวกกสินเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะตรงๆแล้วเจริญกสินไม่สามารถทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยลําพังตัวเองแต่ว่าคนที่ได้ชานในเจริญนิพพสนาไหนจะมีกําลังกว่ากัน อันนะั้ก็อยู่ๆ อ, อย่างเราๆเนี่ยรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงกับคนที่ได้ฌานแล้วพิจารณารูปไม่เที่ยงอะไรจะแก่กล้ า, ลากันนนะก็คือเห็นคุณว่าเออฌานนี่ดีดีในแง่นั้นเนี่ยนะจิตจะได้มีกําลังเรียกว่าจิตเบาจิตอ่อนจิตคล่องจิตควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็น้อะไปพิจารณาวัานนี้รูปนี้เวทนารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงไปเพื่อนก็จะง่ายบาเบาพรานิ่วอนไม่กลุ่มรุมเนี่ยนะ ก็อดหลับอดนอนฟุ้งซ่านมาสามวันเนี่ยนะกลับหลับสนิทพักผ่อนมาเป็นอย่างดีอะ่ะมาอ่านพระไตรปิฎกด้วยกันเนี่ยใครเจ๋งกับกันอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะคนที่ได้ฌานเนี่ยเป็นการพักผ่อนอย่างดีเพราะธรรมะใช้คําว่าทิฏฐธรรมะสุขะวิหารธรรมไอ้ของเราเองมันขาวไหนเขียวไห น, ข, ไหนของเราเองมันเป็นยังไง เราเราอยากนึกขึ้นเขียวแล้วก็เขียวขึ้นมาเลยโผล่โผล่มาเลยอย่างนี้เลยใช่คืมายคว่าเราพิจารณากระสีนะสมมุติว่าสีขาวในร่างกายเราไปเสร็จแล้วเราก็เอื้อมยึดกระดูกนะกระดูกหรือเอาฟันก็ได้นะฟันแล้วเราก็พิจารณาหลับตาแล้วก็พิจารณายุทธภาพของฟันที่เป็นสีขาวทีนี้เราจะเราจะไอคำพิจารณาที่เราจะไอไอกระสีออกมาอย่างนั้นเราจะพูดว่าขาว เธอปกติถ้าถ้าเป็นในร่างกายภายในนะถ้าว่าตามตามที่ท่านแนะนำไว้ในวิสุทธิมรรคกับในวิพังเนี่ยเขาเจริญอาการสามสิบสองก่อนสาธยาดินะทีนี้พอเขาเจริญไปเนี่ยนะอัตยาใสามันจะน้อมไปเองบางคนนี่อัธยาัยจะน้อมไปโดยความเป็นธาตุเออต่างฝ่ายต่างไม่รู้ซึ่งกันและกัน ย, ยกตัวอย่างถ้ากระดูกนะก็พิจณากระดูกเหมือนกันนะกระดูก ศ 130, ีรษะตั้งอยู่บ bon นกระดูกคอกระดูกศีรษะมันก็ไม่รู้ว่ามันตั้งอยู่บ bon นกระดูกคอกระดูกคอก็ตั้งอยู่บนกระดูกบามันก็ไม่รู้ว่ามันตั้งอยู่บนกระดูกบ่ากระดูกบาตั้งบนกระดูกอะไรก็ไล่อย่างนี้ไปเรื่อยต่างฝ่ายต่างไม่รู้นะอันนี้ก็คือนพิจารณากระดูกเหมือนกันแต่น้อมด้วยความเป็นธาตุอีกคนหนึ่งปฏิกูลปฏิกูลเนี่ยนะก็มองในแง่ปฏิกูลไปกับอีกคนหนึ่งเนี่ยมันจะมนุษการโดยกสินนิมิตในในสิ่งเดียวกันเนี่ยแล้วแต่จะน้อมไปมนุษการอัธยาศัยจะเป็นเครื่อง เป็นเครื่องกําหนดในในเนี่ยนะเพราะถ้าคนที่ใจใจใจรักแบบกสินก็น้อมไปใส่ใจว่าสีขาวสีขาวไปในในสิ่งนั้นไปเลยก็ได้เนี่นะแต่พื้นฐานก็อย่างว่านะถ้าถ้าจะจะเอาในร่างกายภายในก็ควรที่จะสาธยายบ้างเนี่ยนะให้สาธยายก่อนหรือถ้าไม่สาธยายเลยก็เอาแบบอาจารย์นกแขกเต้าก็ได้ทีนี้ก็บอกว่าว่าเราจะทยาเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยนะคะเรียบร้อยแล้วแล้ก็ ก็ในสิ่งเดียวอ่ะแล้วแต่จะมานาสิกา น, นะนะผู้ที่เป็นกสินเนี่ยกะสผะกระสินนิมิตมันปรากฏขึ้นเองเมื่อใส่ใจในกระดูกมากๆและ้วกรสิ น, นนิมิตมันเกิดของมันขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าเออเนี่ยฉันจะให้มันเป็นกสินนะไม่ใช่คือพอมานสิกานกระดูกไปมากๆมากๆมาก ๆ, ๆแล้วมันจ ะ, ะสัญญามันจะเกิดโดยโดยอัธยาสายเองว่าเป็นนิมิตขึ้นเนี่ยนะเพราะเพราะในแง่นิมิตนะกสินนิมิตเนี่ย เป็นสิ่งที่เกิดจากสัญญาเป็นอารมณ์ที่เกิดจากสัญญาแปลว่าอารมณ์ในจินตนาการอย่ยนะมันจินตนาการขึ้นของมันเองญญอคืออารมณ์ในนั้นมันก็ปรากฏเองอะนะแรกๆหรอเขาท่องอะนะจริงๆ้าไม่ท่องหรอกเพราะมันอยู่กับสิ่งนั้นอยู่แล้วมีความสุขกับสิ่งนั้นงามอยู่กับสิ่งนั้นอยู่แล้วคือคือชอบอะนะประทับใจมากอะ่ะสัญญาอารมณ์คุณมาทัาเกเจนตอนนี้ต้องทําไงต่อ ก็อยู่กับกระดูกนะทจิตยังไงให้มีแต่ภาพกระดูกแล้วก็ให้มันจิตสงบเรื่อย ๆ, ๆอารมณ์นี้ได้ก็ดีแล้วที่เหลือก็ทํายังไงจิตจะได้สงบยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโดยที่สงบโดยที่มีกระดูกเป็นอารมณ์แต่ทีนี้เขาบอกว่าเงื่อนไขก็อกว่าคนที่จะเข้าได้ดีสงบมากหรือสงบน้อยอยู่ที่การเห็นโทษของกลามก่อนหน้านี้มากหรือไม่เห็นคุณว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ก่อนแบ่งเป็นสองกันนล ก็มีว่าคนที่เข้าเข้าฌานได้ฌานแล้วเข้าฌานไม่ได้หรือเข้าฌานแต่เข้าได้ไม่นานคือไม่ไม่พิจารณาโทษของนิวรณ์ไม่พิจารณาโทษของการมไม่พิจารณาคุณของกรรมฐานพวกนี้เจริญได้ไม่นานแป๊บเดียวก็เลิกแล้วเพราะฉะนั้นไ อ, ไอ้บุพกรบุพกิจ ก, ก่อนหน้านี้นะการตั้งอัธยาสายัยการเบนเข็มเบนประเด็นเนี่ยนี่สำคัญมาก น, นะ เหมือนกับจะขับรถไปไหนก็ต้องดูน้ํามันก่อนดูยางว่ามันจะไปได้ไกลไหมไปได้ยาวไหมอะไรก็ตรวจให้มันเรียบร้อยก่อนนะไม่ใช่รีบมากพุ่ดปาดออกไปแล้วน้ํามันหมดหน้าบ้านอะไรปั๊มก็อยู่ไกลอันนี้จะรีบมากมันไม่ไปไม่ได้อยู่แล้วเห็นไหมไม่ใช่ว่าไปยืนตะแคงอยู่ ท, ที่ที่มันเครียกว่าพร้อมจะล้มไม่ล้มแหล่แล้วจะเจริญให้มันได้นา น, นก็ไม่ได้นะมันเรื่องกิริยาบทเรื่องอะไร ก็เรียกว่าไอไอองประกอบอื่นๆเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างดีเหมือนกันเนี่ยนะแล้ก็ในการเจริญอันนั้นเขาจึงเป็นหมวดวิชาอีกเรื่องหนึ่งเลยนะที่เพื่อจะกล่าวร่องนี้เพราะนั้นหมวดวิชาว่าด้วย ส, สมถทนิเทศเนี่ยนะอันนั้นเรื่องใหญ่มากแต่ทีนี้ว่าอ้าวสมถทานิเทศถ้าจะเจริญก็ต้องศีลนิเทศดีอีกเหมือนกันเนี่ยนะเพราะอันนั้นเป็นพื้นฐาน ศีลนี้เทศจะดีได้ก็โหไตรายสารณาคมก็ต้องเรียนมาดีพระพุทธเจ้ามีคุณยังไงคําสอนเป็นยังไงพระสงฆ์ปฏิบัติอะไรสรุปก็ไล่มาหาสารณาคมอันนี้สารณาคมจะดีบอกวันหนึ่งเนี่ยเรียนได้กี่ชั่วโมงฟังวันละเท่าไหร่อะไรไงก็ย้อนกลับมาอี ก, ก น, นะจะรู้ว่าพวกนี้เป็นสังขารธรรมจริงจรองผมก็ตรัสอยู่แล้วว่าบรรดาสังขารธรรมสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งที่ประณีตหรือมีคุณปรุงแต่งยากมากกว่าเพื่อนก็คือ อริยมรรคเนี่ยปรุงยากยาแต่ถ้าทอได้ดีนะโอ้ทอมานานแล้วได้ดีไปแล้วแบบ น, นี้จะเข้าธรรมะหมวดต่อไปก็ไม่ไม่พอนะเนื้อหาดีมากแล้วก็ในแง่สองธรรมะสองอย่างนะคือธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยนะกับ ธรรมะที่ควรทําให้แจ้งควรรู้ยิ่งก็คืออะไรควรรู้ยิ่งนะอภินยยธรรมกับควรทําให้แจ้งคือสัจชิกาตประธรรมพวกนี้เกี่ยวกับฌานสมาบัติทั้งนั้นเลยรู้ยิ่งก็รู้ยิ่งในฌานสมาบัตินั่นเองทาให้แจ้งก็ควรทําให้แจ้งนะโดยเฉพาะวิโมกแเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรทําให้แจ้งพระอริยะในที่เป็นในเถระคาถานะพระเถระเทร ะ, เท ร, ะเทรีคาถานะ ท่านได้หมดเลยนะวิโมกแปดเนะี่ยท่านจะได้กันทุกองนะวิโมกแปดท่านจะได้หมดจะจะมีคุณธรรมเหล่านี้นะผ้ า, าหาันในในพระตายวิดกนะันที่ได้ที่มาในเทระคาถาเทรีคาถาท่านมีคุณธรรมเหล่านี้หมดเพราะฉะนั้นศึกษาคุณธรรมเหล่านี้ดีว่าไว้เจริญสังฆคุณก็ยังดีกันว่าพระสงฆ์ท่านทำได้อย่างนี้นะอย่างเงี้ย น, นี่เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้านะก็ พระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งนี้นะนี่ก็เอาไว้เจริญเนี่ยอย่างน้อยก็เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารนุสติก็ได้นะมีใครมีอะไรจะเจริญอะไรอีกไก็เอาให้มันได้อย่างใดอย่างห น, น, นึ่งก่อนให้ให้ได้อย่ า, างใดอย่างหนึ่งก่อนแล้วก็ถ้าได้แล้วค่อยต่ออย่างอื่นก็ดี ถ้าถ้าได้อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแล้วจะไปต่อกระสิน <wygląda S 2> <stamina. S 1> อื่นไม่ยากท่านว่างั้นเนี่ยนะถ้าถ้าได้อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะแต่ว่ากระเช้าสีเขียวกลางวันสีเหลืองเย็นสีแดงถ้าอย่างงี้ของมาไม่รู้นะว่าได้หรือเปล่าสําคัญคือถ้าเป็นให้ของมาถามบอกว่าทําได้ไหมล่ะมาจะถามแบบนี้คืนถ้าทําได้ก็ทําไปถ้าทําไม่ได้ก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งเถอะเนี่ยนะแต่ถ้าได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วต่อย่างอื่นอันนี้ไม่ใช่ภาระเนี่ยนะไม่ไม่ยาก ขอให้มได้ก่อนเอ ย, ยังไม่ได้ ว, วันนี้ยสีเขียววันพุ่อนี้เอสีขาวเลยถ้าอย่างนี้แล้วก็มันเลยไม่ได้สักอย่างเลยนะยเดี๋ยวไมว่าแต่ช้าตงกาีบ่ายตงกาัเอาแค่ข้ามวันเป็นวรีวรีก็ไม่ได้มักใช่ไหมมักเนี่ยถ้าตัวองค์มักเนี่ย ที่ในที่มักที่เป็นโลกุตระต้องเทียบอย่างน้อยที่สุดระดับปฐมฌานวิปัสสนาเนี่ยจะต้องเจริญให้จนได้ระดับปฐมฌานคือต้องทำไอเอ็กกตาในในวิปัสสนาอนั้นเนี่ยให้มีกาลังให้เกิดปฐมฌานให้ได้ ซึ่งตรงนี้คงเป็นภาคบ่ายจะได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งเนะนะพราะบ่ายก็เรียนเรื่องโลกุตตรจิตอยู่แล้วในในในคำถามที่ถามเนี่ยนะกนะนะ็จะขยายละเอียดอีกครั้งในตอนบ่ายพยายามตอบให้ดีที่สุดแต่ว่าอย่าไปโทษตัวเองมากเลย ก็ว่าไปตามหน้าที่ไปของมาอาจารย์ท่านบอกอย่างนี้เนี่ยชอบคําของท่านมาจนถึงทุกวันเนี่ยก็บอกว่าถ้าฝนมันตกมันไม่คิดหรอกว่าใครจะรองหรือไม่รองน้ําฝนเอาไว้ดื่มหรือไม่ดื่มมันมีหน้าที่ตกแต่มันถ้าตกไปแล้วก็แล้วกันไปเนี่ยนะใครรองได้ก็รองไปรองไม่ได้ก็ว่ากันไปแต่จะตกอีกหรือไม่ค่อยว่าอีกทีรองมากรองน้อยก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปตามนั้นไป ก็ภารกิจคือประสานองค์ไม่ใช่ภารกิจไปชมองค์คนอื่นถ้าองค์เราไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปโอ้ชกเขาบอกว่าถึงเราชมรถคนอื่นนะเราก็ไม่ได้ใช้รถเขาหรอกถ้ารถเราเสียงานของเราคือซ่อมรถเราซ่อมองค์เรา ซ่อมของเราไปรูดีแล้วที่รู้ว่ามันรั่วนะแต่เด็สมานซะประสานซะดีแต่ก็ดีมององค์คนอื่นเออเนี่ยองที่ดีเขาเขามีประโยชน์แบบนี้นะนะกชเป็นเครื่องเปรียบไปนะแต่ไม่ใช่คนโน้นองค์รั่วกว่าเราอีกเนี่ยปนอย่างนั้นก็ไม่คิดจะซ่อมอยู่แล้วเนาะ สังเกตดูตัวคุณเองทหาเราไปเอาเวลาอื่นมากแล้วแบบทิ้งอันนี้ไปแล้วก็จนตรงนี้ที่ประเด็นที่ตามพุทธพจน์ในเรื่องอาจารย์สันชัยนะในธรรมบทบต้องคิดว่าอะไรเป็นสาระสําหรับเราที่ที่เราจะคําว่าสาระหมายความว่าที่เราจะต้องใส่ใจและทําให้บ่อยให้มากอะไรเนี่ยนะก็อยู่ที่ตรงนั้น ค, คือรู้นะฮะรู้ว่าอะไรเป็นสาระอะไร แต่ว่าเมื่อเรามาอยู่ในฐานะอย่างนี้แล้วเนี่ยฮะบางสิ่งที่ไม่เป็นสระมันก็กลายเป็นสาระมันก็ต้องเป็นกายสระของของโลภียะใช่คือตรงนี้ถ้าถ้าเราจะมองก็เป็นความคับแคบของของของเพศไปของเพศไปใช่ตอนี้เมื่อเมื่อยอมรับแบบนั้นก็ที่เหลือมันก็นอกอะไรก็เหมือนกับว่าเหมือนอะไรเหมือนว่าเราอยู่ใต้ฟ้านะก็าอย่าไปกลัวกับฝน เพราะฉะนั้นก็พยายามถ้าฝนมาทำ ย, ายังไงจะมีร่มมีอะไรนะก็ก็คือ ก, ก็ยอมรับว่าสภาพมันเป็นแบบนั้นใช่เพระต้องยอมรับต้องยอมรับแล้วก็ต้องพยายามเปลี่เปลี่ไอ้สิ่งที่ที่เรียกว่าไม่เป็นสาละหนะ่อยถ้าว่าถ้าปกติเคยให้เวลาวันละหชั่วโมงก็ลดให้สักสชั่วโม ง, งนี่เนะก็ค่ลดอย่างเงี้ยไปเรื่อยเป็นมันเป็นเหตุการณ์ กป็นเด็นเฉาะนบางทีคิดว่าเออถึงเวลาของเราเลยนะกถึงเวลาเราเราก็งจะเรามันไม่ใช่อะ่ะูเสือูผ า, า, าแล้วอ้าวเรือ่องอะไมันโทรศัพท์มาแล้วขอกแกก็แกกมาก็ามาเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงจรอย่าว่าเป็นคารวาสเลยเป็นผ้า ย, ยังมีเลยแลทีีวทีเราจะตัดทเป็นไม่รู้ไม่ชี้ พอมันนั่งเข้ามันก็มนไม่ได้มันเครียกว่าบุพกรไม่เสร็จบุพกิจไม่เสร็จความกังวลมาก็ตามอย่าว่าเราเลยนะในใ น, ในพระไตรปิฎกพูดถึงพผ้ารหัส ร, รูปหนึ่งไปกับสมัมมาเนนสององค์ทีนี้พผ้ารหัสเนี่ยท่านเป็นพระเถระที่บวชมานานนะไปท่านก็มีกุติอยู่สมมาเนนบวชใหม่ไม่มีกุตินะพระกุติเนี่ยสมัยโบราณเขาจัดให้ตามลำดับพรรษา ทีนี้พผ้าหันทั้งคู่นะเน้นเจ็ดขวบก็พระ้าหันอาจารย์ก็พระ้าหันไปในสัมมเนนไปอยู่โคนไม้สัมมเนนเนี่ยตัดปวา ด, ดนั่งเข้าสมาบัติสบายพผ้าหัน์เอ้เน้นเราจะเป็นยังไงท่านก็นมาคิดถึงแต่เน้นเลยไม่ได้เข้าสมาบัติเลยก็บอกว่าปริพโคสเนี่ยนะยังมีแม้กระทั่งสําหรับพระ้าหันในการเข้าพระสมาบัตะนะินะหมโแต่เข า, าไม่ใช่พวงด้วยอกุศลแต่คิดด้วยกุศลนั่นนะ แต่ว่าขณะพระธรรมยังเข้าสมาบัติไม่ไดก้ก็เรื่องเนี้ยแค่ว่าเหตุการณ์เดียวกันเนี้ยสามเณรเนี้ยเข้าฌานไม่ต้องสบายเข้าสมาบัติสบายมากกันนะอาจารย์นี้ไม่ได้เข้าสมาบัติหรักมโแต่คิดถึงเนนห่วงด้วยกุศลเนี่ยเหมือนกันห่วงด้วยกิริยาจิตนะก็กุศลก็กิริยานเดียวกันนะท่านก็ไม่ได้คิดด้วยกุศลหรอกแต่ว่าเข้าเลยเข้าทำํำเป็นเหตุให้เข้าพะละสสมาบัติไม่ได้ และก็เครียกว่าเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยสำคัญมากนะนะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วพันธรรมะเนี่ยสปายะนี่ถือว่าเป็นมาเป็นเรื่องสําคัญอันดับต้นๆนแต่ว่าสปายะเนี่ยแบ่งเป็นสองคือหนึ่งมิตรก่อนบุคคลที่ก็ไปเกี่ยวข้องจะสปายะหรือไม่สปายะสองเรื่องที่ฟังสปายะหรือไม่สปายะทีนี้ถึงสปายะก็มาแบ่งอีกว่าศรัทธากลุ่มไหนมากที่สุดนะก็ค่อยลงรายละเอียดไปเรื่อยๆ ก็เหมือนกับเราป่วยนะถ้าจะแก้ปัญหาไปที่ไหนไปที่หาหมอไงพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็ต้องไปเลือกแผนกใี้ให้มันเข้ากับโรคที่กำลังเป็นอยู่นี่นะธรรมะก็จะเป็นลักษณะนั้นค่อยๆจากใหญ่ๆแล้วค่อยมาย่อยๆย่อยๆยๆๆๆๆไปนะรุ่งเช้าสมควรกับเวลาแล้วนะอนนโมทธนาด้วย